ที่กรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับ จากนั้นท่านก็วันเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันจากริกวีเวกไปเพียง ระหว่างที่หลวงปู่ชอบจาริกไปในป่าเขาท่านเล่า ก็อาจารย์ยอดคงไม่กล้าจะบังอาจอธิบายให้ละเอียดชัดเจนได้เพราะว่าความรอบรู้เรื่องลักษณะอย่างนี้นะครับยังไม่มีคงไม่กล้าจะ ออกพรรษาแล้วท่านก็จะเก็บอรรถบริขารออก ดังนั้นเมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปู่ชอบก็เดินบุกป่าฝ่าดงจาก แต่ว่าท่านเชื่อมั่นในนิมิตก็ ภายในธ่าหลาย왕และแบ่งออกเป็นครูหาอีกหลายครูหาเพดานถ่ามมีหน้าหลุกยอยเป็นประกาย Förยิบให chutney Bismarck แต่ว่าอากาศกลับปลอดโปร่งมีกระแสลมพัดโกรก ที่ต่ำก็กลายเป็นที่สูงที่สูงก็ยุบตัวกลายเป็นที่ต่ำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้เกิดขึ้นมาหลายล้านปีผ่านๆมาอาศัยๆซึ่ง ถ้ำนายมจึงเป็นถ้ำที่สะอาดเป็นอย่างยิ่งๆใน ชาวบ้านก็จะขึ้นมาขนเอาหม้อไห เมื่อจิตถอนขึ้นมาแล้วก็พิจารณาธรรมที่ผุดขึ้น วันหนึ่งขณะที่หลวงปู่ชอบและตาพระขาวกําลังนั่งภาวนาได้เห็นในนิมิตว่ามีเทวดาองค์หนึ่งเหาะลอยมาเทวดาองค์นั้นเหาะผ่านหลวงปู่ชอบไป หล่วงปูชอร์พ Bond ว่าแล้วตาพระขาวมาถามท่านต่ออีกว่าถึงขั้นอะไรแล้ว ที่ทํานายมแห่งนี้มีเทวدามาก แล้วก็มักย还是พ Boyan, ให้ท่านแสดงทำโปรดพวกเขาเสมอ การที่มีเทวدาหอมาถามตาพากขาวผู้บรุอนาคามีแล้ว เหตุที่เทวดามากระซิบกับตาภักขาว ตามปกติท่านก็ออกไปบิณฑบาต 4-5 วันครั้งๆถ้ํานายม 2-3 ครอบครัวตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างสันโดษก็ ดังนั้นท่านจึงให้บิณฑบาตนานๆครั้งเพื่อไม่ให้รบกวนญาติโยมมากเกินไปการปฏิบัติภาวนาของหลวงปู่ ตอนแรกท่านไม่ยอมเนื่องจากๆคล้ายๆดินสะพรองการ ตัวเค้าเป็นกายทิพย์และอาหารทิพย์ซึ่งจะถวายด้วยการถูเนื้อกายของท่านนี้ก็ไม่ได้แตะต้องสัมผัสกายเนื้อ ร่างกายสดชื่นมีแรงขึ้นมาอย่างน่าๆบางครั้งก็ ระหว่างพรรษาที่ 10 ที่หลวงปู่ชอบจำมันสาอยู่เมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปู่ชอบก็ออกจาริกทุรดงต่อไปส่วนตาพระขาวพอใจที่จะวิเวกใน หรือก็ขอร้องให้พ่อกลับไปอยู่บ้านถ้าหากล้มป่วยไม่สบายก็ โดยบอกว่าจะตายวันนั้นเวลานี้บอกว่าจะตายวันนั้นเวลานี้ พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานะสมโภท่าน จากนั้นก็จักกระทําความเพียรวาดฟันกิเลสโดย บางคือนั่งยืนเดินแต่ไม่นอนไม่นอนและเมื่อออกพรรษาแล้ว ท่านจึงเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรกออกจาก 9 วัน 9 คืนก็บรรลุถึงจังหวัดเชียงใหม่ ที่วัดบ้านโป่งนี้นับเป็นสถานสัปปายะต่อการบําเพ็ญเช่นพระอาจารย์เสากันตสีโล หากมาภาวนาที่นี่จิตจะสงบลงถึงฐานสมาธิอย่างรวดเร็วและหลวงปู่ เพื่อออกจาริกทุรดงต่อไปอีกโดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศพ artificial vaanGet Initiative เป็นป่าดิบเข mau ข Thanksgiving ได้เพินจะร่วงนะคะผ่าน pajทรับ birยัง having มุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะไปทุโดงยังแผ่นดิน หลังจากออกพรรษาในปี พ.ศ. 2480 พรรษาที่ 13 ของหลวงปู่ชอบฐานะสมุห์ท่านมีความตั้งใจจะจาริกข้ามแดนไปยังแผ่นดินพม่าสักครั้งความปรารถนาจะเดินทางไปยังประเทศพม่านี้กล่าวได้ว่าเป็นความตั้งใจอย่างรุนแรง ท่านมีกัลยาณมิตรรูปแต่ว่าเป็นรุ่นพี่เพียงเล็กน้อยร่วมทางไปด้วยก็คือ ท่านทุดง 2 รูปข้ามเขตด่านไทยไปสู่แผ่น ชาวพม่าส่วนใหญ่ที่ท่านทั้งสองได้ประสบพบเห็นล้วน พวกนี้จะขวนขวายหาพระ แต่หลวงปู่ชอบปรารถนาเข้าป่าเข้าท่านทั้งสองก็ต้องแยกจากกันหลวงปู่ชอบจาก จิตใจอิ่มเอิบในธรรมไม่รู้ แต่ด้วยบารมีธรรมและพลังเช่นครั้งที่หลวงปู่ชอบเข้าไปพักประมาณ 3-4 ชั่วโมงถึง ไม่ได้ลำบากหรอกการปฏิบัติของท่านแต่อย่างใดวันหนึ่งท่านนั่งภาวนาอยู่ภายในถ้ําพอคลายจิตจากสมาธิก็ เสือเมื่อเห็นมนุษย์นั่งโดดเดี่ยวอยู่ในเมตรซึ่งอยู่เมตร ระยะแค่นี้หากมันโดดผึงเดียวก็ขาทำความสะอาดขนๆนานๆครั้ง แม้จะไม่หวั่นพันกลัวแต่ก็อดวาดเสียวอยู่ไม่น้อยด้วยขนาดของเสือ หลวงปู่ชอบเห็นว่าเสือไม่มีทีท่าจะไปเสียทีท่านก็เลิกสนใจมันแล้วก็ปฏิบัติกิจของท่านคือการภาวนาต่อไปอีกออกจากสมาธิก็เป็นเวลาดึกพอสมควรมองออกไปก็ยังเห็นเสือนอนหมอบอยู่ที่เดิมท่านก็เข้ามุ้งกรอดแล้วก็เอียงกายลงพักผ่อนตามปกติตื่นขึ้นมาอีกครั้งประมาณตี 3 จุดเทียนไขสว่างมองไปที่เสืออยู่ก็ยังเห็นมันอยู่ที่เดิม แล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจต่อท่าน ต่างฝ่ายต่างอยู่หรือว่าจะโคกแต่หลวงปู่ท่านก็มีเกียรติที่จะต้องปฏิบัติซึ่งท่านไม่ต้องการหลีกเลี่ยงก็ตัดสินแล้วขอเสือจงอ่าส่วนมันจะอยู่ เมื่อท่านเดินเชี่ยเสือในระยะใกล้ๆเสือก็ไม่ลุกพรวดพราดมีกิริยาตื่นตก ได้เดินดูไปทั่วบริเวณก็ไม่เห็นเสืออีก พระ 1 เป็นเสือเลี้ยงอยู่เช่นครั้งหนึ่ง นั่นก็คือมีงูพิษดุร้ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำงูตัวนี้คล้ายๆกับหวงแหนถ้ำ หรืมบุษที่รับสحدข zgอ ก็ขอร้องให้ชาวบ้านพาไปศพ Jonathanว่าร้ายกาดทั้งอูพิธท์ ซึ่งกระทำตนกระเป็นเจ้าทำกระน เป็นการไปพักอศัยด้วยใจบริสุดเพื่อกjestรร้uter ดังนั้นจึงเชื่อว่าคงจะไม่เกิดอันตรายอะไรต่อตัวท่านหรือถ้างงูพิษรายตัวนั้นยังมุ่งมั่นจะเอาชีวิตท่านให้ได้ ก็ย่อมห่ายถึงว่าตัวท่านและงูพิษคงจะมีกรรมพورพันต่อ� เป หากจะเป็นด้วยสาเหตureauนั้น ถึงขั้นอาหัว Greener ต่ ชาวบ้านก็หมดปัญญาหยุดยั้งท่านไว้ได้ก็จึงจําเป็นต้อง ชาวบ้านตัดเล็กๆให้ท่านใช้เป็นที่ภาวนาและ และหลวงปู่ก็ไม่ได้สนใจ มีเดินจองกลมและเจริญภาวนาทำสมาธิอย่างต่อเนื่องดึกเดินๆเชิงเขานั้นกระทั่งร่วง ซึ่งหลวงปู่ก็มองเห็นมันแล้วงู ศอแสดงว่ามีความดุร้ายอย่าง ท่านท่านแกงูตัวนี้มีบุปผกรรมผูกพันกันมาในอดีต บอกกล่าวกับมันว่าหากเจ้ากับเราไม่มีเวรกรรมต่อกันก็อย่ามุ่งร้ายคิด รถจงเปิดรับเมตตาธรรมของเราซึ่งค่อยๆทอดสงบนิ่งหัวลงก่อนที่ การที่เจ้าถ้ําตัว หลังจากวันแรกที่อสรพิษร้ายเผชิญหน้ากับหลวงปู่ชอบแล้ววันต่อมางูที่ว่านี้ก็จะออกจากซอกหินมาหาหลวงปู่แทบทุกวันการปรากฏร่างครั้งหลังๆนี้งูจะเข้ามาใกล้ตัวหลวงปู่ชอบไม่เกิน 1 ถึงเวลาหากินงูก็จะเลื้อย เพราะว่าในอดีตชาติที่ผ่านมาท่านเคยเกิดเป็นชาว ไม่ใช่จะเกิดเป็นมนุษย์แต่เพียงอย่างเดียว Bond แต่เพียงอย่างเดียวหลายชาติก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดร还是ได้รับความทุกอยากห่างแสงสหักฎ ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความหวากรัวต่อภายอันตرรายทุกขณะจิท ท่านจิงเกิดความเบื่อหนายในวัตตาสงสารอย่างถึงที่สุด หลุงผู้ชอบเคยเวียนเกิดเวียนตายในพบต่างๆเคยเกิดเป็นผีเสื้อขณะกำลังบินหานำหานจากเกศรรดอกไม้เพริวดเพินกับความงําของธรรมชาติก็ถูกข้างข้าวโชบเอาตัวไปกินเสียเคยเกิดเป็นปราระเพียงหรือปราขาวไว้วนเวียนอยู่ในสากจนหมดอายูไข ก็เลยต้องมาเกิดเป็นไก่ให้คนถึง 7 ชาติจนสิ้นกรรมจากไก่เกิดเป็นฝานหรือแก้งที่ทําหาดิน มีอยู่คราวหนึ่งตอนที่เกิดเป็นเก้งเนี่ยเดินลัดล่อออกมาที่ชายป wła ждกับอร่อย จงท้ายไร่มีต้นมะกอกปtonesพวกำลังออกลูก หลวนاه์ดมาส่งกลิ่นหอม หวนยวนจายให้เกิดความกระหายอยากกินก็เข้ากินได้กลับว่า culturaวันอย่างความอร่อย หารู้ไหมว่าเวลานั้นมีภาญชาวไ ก็เพ็นหนีตะเลิดเปิดเปิงไป เจ้าของไร่มาเห็นเช้าก็ เพราะการเกิดเป็นสัตว์นั้นไม่เพียงแต่หนังเขาเอาไป ค่ำยามหนาวกว่าหนาวหนิบไป ก็ช่วยโอกาสไปดักยิงดักล่าตามแหล่งน้ําในป่าซึ่งมี เมื่อเติบโตเป็นหนุ่มชะกังถูกเกณฑ์เป็นทหารเข้าประจำการอยู่ คือญาณอย่างรู้อดีตชาติโดยเฉพาะ อดีตชาติของหลวงปู่ชอบซึ่งท่าน ตัวท่านถวายผ้าขาว 1 วาเงิน 2 สลึงการ เกิดเป็นสามเณรน้อยสมัยพระมหากัสสปเถระเจ้าการเวียนเกิดเวียนตายในแต่ มีภรรยามีลูกหลานสืบต่อวงตระกูลดำรงๆบุคคล และบุคคลแต่ละคนเมื่อตายจากกันผู้ซึ่งเคยใกล้ชิดท่านมา คืนหนึ่งขณะท่านปฏิบัติภาวนาได้ปรากฏภาพนิมิตมีแม่ไก่ตัวหนึ่งมาหา อ้างว่าตนเคยเกิดมาเป็นมนุษย์และเคยเป็นภรรยาของ ในนิมิตนั้นหลวงปู่ชอบไม่ยอมเชื่อใน ระหว่างที่ท่านเดินไปไม่ได้นึก เพราะว่าเป็นสัตว์ตัวเมียจะทํา ทำให้ต้องมาเกิดเป็นสัตว์ต้อยตามตามกรรมของตนเป็นที่น่า ดังเช่นพระพุทธองค์ได้ทรงระบุไว้อย่างชัดเจนสัพเพสัตตากรรมสกากรรมโยนิกรรมพันธุ์ธุ นับตั้งแต่หลวงปู่เข้าสู่ร่มเงาแห่ง เป็นที่สักการะบูชาของผู้คน คติความอีกทางหนึ่งมีความเห็นว่าเป็นเรื่องไม่จริงเรื่องพญานาคนี่ถูกแบ่งๆเนื่องจาก เรื่องราของพยาัา่าเคยปรากฏเป็นข่าวทางหนังสือพิมพ์เช่นพบร้องอยประราาดผ่านพื้นที่ซึ่งเป็นทุ่งญ้าที่ราบลักษณะของรอยนั้นก็ประหนึ่งมีงูขนาดใหญ่มหือมาเรื้อยผ่านไปน้ําหนักอันมากมายเขาลําตัวงูกดทับต้นญ้าจนเองราบเป็นช่องขว้างยาวเหยียดสุดสายตาแต่บางรอยซึ่งคล้ายกับงูยักรื้อยผ่าน มีความเชื่อว่าน่าจะเป็นรอยอันเกิดจากพยอนากเลือ้ยผ่านไปแต่ก็ไม่มีหรักฐานอย่างอื่นมาประกอบให้มีน้ำหนักหน้าเชื่อถือยึงกว่านี้ดังนั้นขาวพบร้องรอยของพยอนากจึงกลายเป็นขาวเลื่อนรอยไปในที่สุดแล้วก็เป็นที่ลัง Leg สงสัยว่าพยอนากมีจริงหรือไม่ประสบปะการ passwords ท่านได้ประสบพบเห็นสัตว์ประเภทเลื้อย พอรู้ความจิตใจของท่าน พระกุญเจ้า... กุญเจ้าพระบุญนาคหรือว่าสามเณรบุญนาคออกทุรดงด้านด้นไปตามป่าเขาลำนาวความว่าพอพ้นเขตครอบ เพราะว่ามีหนังสือจารึกแผ่นศิลาเป็นตัวลาวอ่านได้ความว่า นั่งเข้าที่อยู่ที่นั่นประมาณ 5:00 น. น, นเสียงน้ําหยุดไหลลืม 4 จับยาว 12 ศอกมีสีแสดอิดเหลืองแดงบ้างสีน้ําเงินบ้างเลื้อยท่าน ขอได้รับความขอประกุลจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ